ต่อไปนะว่าอันหนึ่งนะในหน้าเท่าไรนะถึงหน้าเท่าไรนะอ่นะ17ด <17. S 1> นะย่อความสุดท้ายเลยกล่าวถึงตอนนี้กล่าวถึงอะไรอยู่กล่าวถึงอ น, นิสงค์ของศีลสมาธิและปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะสามารถสงเคราะห์จำเนกแจกแจงไปเกี่ยวข้องกับธรรมะหมวดอื่นได้อีกมากมายอ่า ง, งั้นเถอะเฉพาะในวิสุทธิมัตย์ยกมา 9ก้าหมวดธรรมนั่นนะอันหนึ่งการชําระสังกิเลสคือทุจิริศเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยศีลศีลเนี่ยนะชำระคําว่าชําระก็คือทําให้มันสะอาดใช่ไหมทำให้สะอาดจากสังกิเลสคือทุติยริศคาว่าสังกิเลสนี่คืออะไรคือสิ่งที่ทําให้ขันธสันดานเนี่ยเศร้าหมองสิ่งที่ทําให้ขันธสันดานเนี่ย เร่าร้อนเดือดร้อนกวนกวายทุกแบบนั้นแหละไอ้คำว่าสังกิเลศเนี่ยทำให้ขันธ์สันดานทําให้จิตใจเศร้าหมองทีนี้สิ่งที่ทําให้เศร้าหมองทําให้เดือดร้อนนั่นนะคือทุจริตนะทุจริตเนี่ยทำให้เศร้าหมองทําให้เดือดร้อน này, ทุจริตนี้แปลว่าโทุเนี่ยแปลว่าชั่วไม่ดีจริตตาเนี่ยแปลว่าความประพฤติความประพฤติที่ไม่ดีความประพฤติที่ ชั่วความประพฤติ ท, ที่ถูกกิเลสมันกลุ่มรุมอ่ะความประพฤติ ท, ที่ถูกกิเลสมันย่ํายีเบียดเบียนอ่ะนะเคยเห็นถ้าพูดอีกในหนึ่งคนป่วยที่ร้องควนคางเนี่ยเคยเบอกว่าถูกทุกเนี่ยนะถูกไอความเจ็บปวดเนี่ยทำให้ร้องควนคางอ่ะคนที่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาด้วยอํานาจของโลภโทสะโมหก็ก็ลักษณะเดียวกันนะเนี กิเลสเหล่านั้น่ะมันทำให้เดือดร้อนทำให้เรา่าร้อนก็เลยละเมิดออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยนะถึงกับแสดงความชั่วทางกายทางวาจาเขาไม่รู้แร้กว่ามันมีโทษแต่ว่า değil, สิ่งที่มีโทษเหล่านี้เนี่ยนะศีลชำระได้ความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยศีลชำระเนี่ยนะสังกิเลสเครื่องเร่าร้อนคือความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยนะศีลเป็นเครื่องชาระสังกิเลสมีสามอย่างนะ สังกิเลข้อ1เรียกว่าทุจริตสังกิเลที่สองเรียกว่าตันหาสังกิเลที่3เรียกว่าทิฏฐินะหทุจริต2ตันหา3ทิฏฐิคําว่าสังกิเลสคือสิ่งที่ทําให้สันดาลเร่าร้อนเดือดร้อนกังวลกวายปราณั้นเด็กกิเลสเนี่ยนะกิเลสแปลว่าของที่ทําให้ร้อนน่ยน ะ, ะสังกิเลคือทุจริต ทุจริตก็คือความชั่วทางกายทางวาจาหรือความชั่วที่แสดงออกมาด้วยอํานาจกิเลสความชั่วทางกายทางวาจาที่แสดงออกมาด้วยอํานาจกิเลสเรียกว่าทุจริตศีนเนี่ยนะเป็นเครื่องชําระสังกิเลสอันนี้ใช้อย่างอื่นชําระไม่ได้ทีนี้ต่อไปว่าการชําระสังกิเลสคือตัณหาเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิ สังกิเลสเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ขันธ์สันดานเร้าร้อนคือตัณหาอันนี้เนี่ยนะการที่จะชําระสังกิเลสคือตัณหาก็ต้องละด้วยอํานาจวิคขำพนะปะหานถ้าสังกิเลสคือทุจิริที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยละด้วยแต่ทางข้าปะหานถ้าหากว่าชําระสังกิเลสคือตัณหาต้องละด้วยวิคขำพนะปะหานเพราะสมาธิเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์ต่อปริยุทธฐาน และเพราะสมาธิเนี่ยก็เป็นปฏิปักโดยตรงต่อตันหาบอกว่าตัญหามีลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะจใช้ชื่อคาว่าหิวเนี่ยน่าจะเห็นชัด น, นะนะสมาธิเนี่ยมันอิ่มใครที่เป็นสมาธิคนนั้นก็อิ่มจะไม่หิวในอารมณ์นะมันคนที่สมาธิจิตเกิดเนี่ยจะไม่หิวนะถ้าได้ฌานแล้วก็ไม่รู้สึกหิวในกามมือนนะแต่ที่หิวเนี่ยเพราะว่าตันหาแหละทาให้หิว เพราะนั้นไอ้ความหิวกับความอิ่มเนี่ยนะสมาธิเหมือนกับอิ่มอ่ะตัณหานี่เหมือนกับหิวงั้นเพราะฉะนั้นไอ้สมาธิเนี่ยนะเป็นเครื่องที่ชําระตัณหาโดยตรงเลยเป็นปฏิปักษต่อตัณหาโดยตรงเลส่วนชําระสังกิเลสคือทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นผิดอันนี้เป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยปัญญาเพราะว่าการชําระ สังกิเลตคือทิฐิเนี่ยนะด้วยอำนาจสมุทเชธปาปะฮันเพราะว่าปัญญานี้เป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยโดยตรงเลยนะปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยอนุสัยหมายว่าไงนะีกิเลสที่กิเลตที่เพราะอัตถาว่ายัางละไม่ได้ได้ปัจจัยที่สมควรแล้วเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าอนุสัยและว่าปัญญานั้นเป็นปฏิปักษ์ หรือว่าปัญญานั้นมีปกติถือเอาตามความเป็นจริงอันเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อทิฏฐิทิฏฐินี้ทิฏฐิหลงทางหรือไม่รู้ทางถ้าหลงทางเนี่ยเป็นชื่อของทิฏฐิถ้าไม่รู้ทางเป็นชื่อของอวิชานะทิฏฐิเหมือนคนหลงทางเนี่ยถือเอาผิดนะนะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยไม่ถือเอาตามความเป็นจริง ส่วนปัญญานั้นมีปกติถือเอาความถือเอาสภาวะที่ที่เป็นจริงของอารมณ์นั้นว่าความจริงของเขาเป็นอย่างไรทิฏฐินี้ถือเอาไม่จริงอ่ะนะเพราะฉะนั้นปัญญานี้เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อทิฐิเหนนะ็นไหศีลละสังกิเลสคือทุจริตสมาธิละสังกิเลสคือตัณหาปัญญาละสังกิเลสคือทิฐินะ ได้ไปแล้ว8ปดในัยะที่9้าเลยนะก็บอกว่าเหตุแห่งความเป็นพระอริยบุคคลถ้าใครที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่นะเป็นเหตุแห่งการได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลโดยนัยะต่างๆ่างอย่างนั้นเหมือนกันคําว่าอย่างนั้นเหมือนกันนี่อย่างไหนก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ยแหละ เป็นเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยศีลเหตุแห่งความเป็นพระอนาคามีเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยสมาธิเหตุแห่งความเป็นพระอรหันต์เป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยปัญญาจึงอยู่ตรัสถึงพระโสดาบันว่าเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนะ และพระองค์ก็ตรัสถึงพระสะกทาคามีก็อย่างนั้นเหมือนกันคือเป็นผู้ที่ทําศีลให้บริบูรณ์แต่พระอนาคามีตรัสไว้ด้วยว่าเป็นผู้ทำปัญผู้ทําให้บริบูรณ์ในสมาธิหรือสมาธิบริบูรณ์ส่วนพระอรหันนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในปัญญาข้อความอันนี้ท่านยกมาจากทุติยะเสขาสูตรใน อังคุตรนิกายติการนิบาตนะเล่มสาสิบสี่ข้อห้ายี่สหกนะาจะยกข้อความในมหาดีกามาที่ายให้ฟังข้อความที่ผ่านไปเมื่อกี้ว่าคำว่าเหตุคืออุปนิสัยปัจจัยใช่ไหมเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันก็คือเหตุอันนั้นแปลว่าอุปนิสัยปัจจัย คำว่าเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความว่าเพราะท่านไม่ละเมิดศิกษาบทอันเป็นมหาศีลกล่าวคือปาราชิกและสังขาริเศษอันเป็นอาธิพรหมจริยากระศิกขาคือสิกษาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เพราะว่าเป็นเบื้องต้นแห่งมัคคพรหมจรรย์เนี่ยนะมหาศีลเนี่ยนะอันพระโสดาบันเนี่ยจะไม่ล่วงละเมิดคือปาราชิกกับสังขาริเศษเนี่ยนะ คือเฉพาะประราชิกสังขาธิเศษที่เป็นโลกัตชะคือทําด้วยอํานาจอากุศลเนี่ยนะพระโสดาบันจะไม่เป็นเ น, นี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างบันประชิตไงถ้าเป็นคารวาะศีลห้ายังไงไม่ละเมิดแน่นอนเห็นไหมถ้าเป็นคารวะนะรักษาศีลห้าได้อย่างบริบูรณ์เลยเรียกว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้พระโสดาบันแม้แต่คิดฆ่ายังไม่มีเลยเห็นไหมอันศีลห้าของพระโสดาบันนี่บริบูรณ์เขาบอกว่าพระโสดาบันนะ ถ้าใครเอาเหล้ามาให้กินเนี่ยนะก็บอกว่าผ่านลําคอจะกลายเป็นน้ําหมดเลยถ้าท่านไม่รู้นะดื่มไปนี่มันกรองให้เหลือแต่น้ําอย่างเดียวเออเก่งขนาดนะั้นก็บอกว่านกกระเรียนเนี่ยนะถ้าน้ํากับน้ํานมผสมกันนกกระเรียนดื่มเอาแต่นมอย่างเดียวเหลือ น, น้ำมาไว้อ่านะก็หรือไฟเนี่ยนะถ้าน้ํากับน้ํามันผสมกันเนี่ยนะใส่ลงไปใช่ไหมแล้วจุดไฟเนี่ยไฟมันจะไหมเฉพาะน้ํามันอย่างเดียวน้ําไม่ไหมหรอกว่างั้น แต่ว่าถ้ายกตัวอย่างว่าพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อท่านต้องอบัตเล็กๆน้อยๆอ่เล็กๆน้อยๆก็คืออบัตรองจากป ร, ราชิกลงมาเป็นต้นเนี่ยนะหรืออ่ะอัตสังฆทิเศษบางอย่างที่ต้องด้วยความไม่รู้ตัวนะต้องด้วยความไม่รู้ในสิกขาบทนั้ น, น, นถึงท่านต้องอบัตเหล่านั้นเนี่ยนะ อันใดที่จะพึงกระทาในศีลทั้งหลายด้วยการออกจากอาบัติเล็กๆน้อ ย, อยๆเหล่านั้นโดยพลันท่านก็ย่อมกระทากิจนั้นให้บริบูรณ์คือให้ครบถ้วนบอ ว, ว่าพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นอาบัติเป็นต้นแล้วนะจะรีบแสดงคืนอ่ายกตัวอย่างเหมือนข้อความในโกสัมพียสูตรเนี่ยนะโกยโกสัมพียสูตรในข้อ546 ในมัชิมานีกายมูลปัญ น, นาชในเล่ม19กอันนะกล่าวว่าพิสูทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นถามว่าเป็นอย่างไรดูกานพิสูจทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร คือธรรมดาของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐินะคือใครสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิปโสดาบันเป็นต้นไปนั่นเองพิสุทั้งหลายธรรมดาของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพิสุทั้งหลายธรรมดาของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้เนี่ยนะคือ คือเป็นอบัติที่ท่านสามารถล่วงได้นะเช่นยกตัวอย่างนะพระพิสูุนนี้นอนที่มุงที่บางอันเดียวกันกับมาถูกขาไม่ได้เห็นไหมในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะเป็นคนละห้องกันไม่ได้คุณพระผู้หญิงก็ น, นอนห้องผู้ชายก็ น, นอนห้องเนียไม่ได้ว่า ง, งั้น ค, คือเองตัวลงนอนไม่ได้อ่านะบางทีเนี่ยท่านนอนหลับไปนะอ้าวผู้หญิงมาก็นอนตามหลังตื่นเช้ามาอ้าวมันนอนได้ยังไงเนี่ย น, นะไม่รู้ น, นะก็อยู่คนละห้องอย่างเงี้ยเขาก็มานอนห้องของเขาไปแล้วก็นอนห้องเราไปตื่นขึ้นมาเอ้ามันนอนอะไรกันเมื่อคืนน่ะวะงั้นตื่นมาก็ต้องท่านจะรีบไปปรองอบับ น, นั่นนะห้อมเป็นไปแล้วทำไงเพราะฉะนั้นอริยสาวกย่อมต้องอับัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้นั่นนะถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นซึ่งอับัตินั้นในสํานักพระศาสดา หรือเพื่อนสะพรมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทําให้ตื้นแล้วก็ถึงความสำรวมต่อไปนั่นะแล้วก็สังวรต่อไปอย่างดีเลยนะระวังเหตุการณ์แบบนี้ประวัติศาสตร์จะไม่สำรอยท่านเด็ดขาดง่ายๆเปรียบเหมือนกุมารที่นอนหงายถูกถ่านไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็จะชักหนีเร็วพลันฉะนั้น ก็บอกว่าถามวนะ่าทำไมไม่ยกเอาผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เนี่ยเอามือไปโดนไฟเนี่ยนะบอกผู้ใหญ่บางทีอาจจะอาจจะร้อนช้าแต่เด็กเล็กๆ เ, เ, เนี่ยนะที่บอบางแต่ว่าไอ้มือกำลังสซนโเนี่ยไปโดนไฟปั๊บเนี่ยรีบหดทันทีเลยแบบนั้นพระอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแท่านเป็นอาบัตินะท่านมีความรู้สึกแบบนั้นเลยมันรีบชักออกนะ อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่สเป็นอริยเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุตุชนอันอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วนะถ้าถ้าลักษณะของพระอริยเจ้าจะเป็นแบบนั้นจะรีบแสดงคืนทันทีเลยทารู้ปั๊บแสดงคืนทันทีถ้าอยู่ในฐานะที่ทาได